ผู้ทีพิจารณาธรรมะเนี่ยนะเป็นนักตรึกมากๆเลยอย่าว่าอย่าว่าธรรมะเป็นนักตึกเลยของมาของมาว่านะผู้ที่ศึกษาธรรมะนะไม่คิดเท่ามากแต่เท่ากับผู้ประกอบอาชีพหรอกประกอบอาชีพของแต่และขแขนงแต่และขแขนงเนี่นะยนะเขาคิดมากจริงๆเลยนะเขาคิดมากจริงๆเลยอย่างเนี่ยอย่าสมมติว่นี่สถานที่ตรงนี้เลยนะมันมีคนที่ขื P ้นพี้อยู่นั่นแหละมีพวกนี้เป็นอารมณ์ถ้าเขาคิดใส่ใจโดยอริยสัจเท่ากับเขาคิดเรื่องอื่นๆนะบรรลุนานกันแล้วไงนะ บรรลุเยอะจริงๆเขามาสังเกตดูนักบัญชีน ะ, นะนะบางคนอนียละเอียดแล้ะอโอมากเลยนะตัวเลขแม้แต่นิดเดียวไม่น่าละเอียดจริงๆเลยนะบอกว่านี่นะถ้าเขาเขียนทุกคนเขาคิดแบบคิดบัญชีนะเรื่อบรรลุไปนานแล้วแล้วเขาบางคนก็บอก ว, ว่าศึกษาธร ร, รมะเพื่อพักผ่อนก็นๆๆๆวก่างั้นมันก็ไม่ไม่คือเนี่ยคือตั้งจริงๆแล้วพื้นฐานศึกษาธรรมะบางส่วนในยุคนี้นะ เกิดจากมิจฉาปนิธิบ้างเกิดจากอะไรเล่ห์เล่ห์เรื่องบ้างนะบางคนแค่ฟังเพื่อความสบายใจเฉยๆซึ่งบางปีเรานึกนะเขาบอกเอ้ยถ้าเขาศึกษาธรรมะเขาบอกว่ามันสบายใจดีก็เลยมาฟังธรรมเพราะเพื่อความสบายใจเราก็ฟังป๊อปเนี่ยนะเขาพูดแค่นั้นนะของมาสงสารตัวเองเลยนะโห้นี่เราพูดแค่เขาสบายใจเลยเนี่ย โอนี่ทีบ่บวชมาตั้งหมดก็เพื่อจะนั่งพูดให้คนสะได้ใจผู้ตายนะนี่ล่ะนี่ส่งคองการบวชนะเริ่มกรุณาตัวเองแล้วกันี้เคืแสดงว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นงานอดิเรกของเขาอ่ะนะอย่างอย่างอีกคำหนึ่งอ่ะพี่คิดบอกว่าเออว่างๆก็มาฟังใหม่นะบอก้ต้องรอว่างจริงๆเลยนะคือคื อ, คอไม่เราทำไมเราไม่คิดว่าสิ่งเนี้คือสาระที่เราจะต้องทุ่มเทเอาจริงเอา จ, งอาจังเป็นเรื่องเป็นราวซึ่ง แต่ว่าเขาเขาคิดเรื่องว่าไอไอการที่เขาเกิดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมเขานึกว่าเป็นของง่ายใช่ไหมก็เลยแบบอะไรนะประมาทเต็มที่เขาไม่รู้หรอกว่าโอกาสที่เขาจะศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยมีไม่มากอย่างไปบางแห่งนะสมมุติถึงสมัยก่อนเนี่ยนะไปแถวแถวเอบางบางจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากสมมติแบบมันมีรายการตารางฟังธรรมอยู่แค่เจ็ดวันนั้นนั้เขานึกอยากมาเขาก็มาไม่นึกอยากมาเขาไม่มาเขาไม่รู้หรอกว่าชาตินี้นะทั้งชาติเนี่ย โค้ต้าของบ้านนี้มีแค่เจ็วันเขาจะมีโอกาสฟังไม่เกินเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเธอว่าเต็มที่แล้วแต่ทีนี้ทําไมวะเ อ, อ้ยเขาฟังทําไมเขาฟังแบบอะไรนะเหมือนกับว่าคือคือว่า ง, า ง, างๆครั้งอะไรสักครั้งหนึ่งก็ยังดีอะไรก็ยังนีส่วจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตนี้ทั้งชาติเขาอาจจะได้ฟังแค่นี้ก็ได้นะแต่แต่ไปถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหม เขามาจับตาดูจากหลายๆจังหวัดรอ ก, ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นก็ทิ้งไปหมดเลยซึ่งเขาวินิจัยวิจัยสาระอะไรไม่ไม่ค่อยออกเนีย่ยนะแต่ทีนี้ถามว่าเราจะไปบอกเขาได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราพูดนี่มันของดีนะมันยังงั้นนี่ล้วก็พูดไม่ได้อยู่แล้วมันก็ประโยชน์ใครก็ประโยชน์ใครอ่นะไรพูดไปพูดมามาก ม, มันก็เหมือนอ่ะนะของมาชอบภาษาหนึ่งก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าสตรีที่อยากให้ชายหนุม่มหลงรักถึงกับเปิดของรับให้ดูมันก็ไม่ได้ มันถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆฉันใดผู้ที่โฆษณาตัวเองก็ฉันนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะบอกอว่าไอ้เพลงนี้ก็ย้อนกลับมาเจริญกรร ม, มสรรตาใหม่เนี่ยนะนับหนึ่งใหม่อีกเรามาด้วยกรรมของเรานะเขาก็จะไปด้วยกรรมของเขานะไม่แน่นะเขาอาจจะมีบุญมากกว่าเราก็ได้เราเนี่ยอาจจะเขาอาจจะเย็นเย็นอยู่สบายๆก็ได้แต่เราไม่รีดนี่เยินแนะ่ แต่จริงแต่ก็มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะก็สังเกตจากอะไรรู้ไหมสังเกตจากพระเจดีก็มีเยอะเขาก็ไปกราบไปไหว้กันเขาก็ทําบุญเขาอาจจะมีบุญสังสงไมไปเกือบเต็มแล้วก็ได้เขาอาจจะชาติสุดท้ายแต่ว่าอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าก็ได้นะเราคิดเราจะได้มุติตากับเขาได้ไงแต่เราอ้ไม่ได้นะเอาไม่ได้ต้องรีบเหมืนัันนะั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าไม่ก็อย่างที่ว่านะ ก็ถ้าคิดแบบผู้การนี่จะดีคือจริงๆก็จะทําให้ตื่นตัวในการเจริญกุศลค่อนข้างมากเพราะถามว่าถ้ากลับมาใหม่แล้วจะทำยังไงเนี่ยสมมติถ้าสมมติผู้การขาดช่วงศึกษานะสมมติถจุติเนะผู้การก็ต้องผมว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวโลกนะจะต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมพ่อแม่มีปัญญาดีหน่อยก็ส่งโน่นจบด็อกเตอร์ก็เกือบสาสิปีแล้วประกอบอาชีพอีกเขาจะเป็นบุญเก่าให้ผลนําเกิดเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นต้นเนี่ยนะมีครอบครัวอีกแล้วอย่างไรอ่ะ กว่าจะเลี้ยงลู ก, กโดยไม่ต้องโน่นอีกห้าสิบปีข้างหน้านั่นแหลเริ่มหันมาใหม่แล้วนะพอถึงตอนนั้นก็ไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้ท่านกว่าจะได้มาศึกษาพระธรรมเนี่ยต่อเมื่ออายุเท่าไหร่มีน้อยเราสังเกตดูนะกวยที่มาศึกษาธรรมะเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวคณะกรุงเทพเนี่ยแหละศึกษาอายุน้อยที่สุดอายุน้อยๆกันนะแต่เขาก็บอกาอายุน้อยของเขาน่ะเนี่ยแก่กวาเราทุกคนลเลยโี่ยอายุน้อยของเขาเนี่ย แสดงว่าวัยที่เขาศึกษาธรรมะนี่มันห้าหสิบไปแล้วแล้วถามว่าชาติหน้าเราอะไรมามั่นใจว่าเราจะายุ่งยืนเนะพราะเกิดถ้าเกิดชาติหน้าเราเกิด น, นึกชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอุบัติเหตุตายเป็นไงอยู่น้อยจะว่าไงอย่างเงี้ยทั้งทังเกิดยุคหน้าก็จะไม่ได้มีอะไรปลอดภัยสักอย่างเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนีบางคนก็บอกเขารอพบพระสีอานใช่ไหมเขามานึกเน่าโหย เป็นเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ามีบอ่อน้ำํำเออเป็นหมดเลยบอกว่าทําไมคุณไม่อาบน้ําดื่มน้ําล่ะเขาบอกว่ามีนะบอ่อน้ําข้างหน้าเนี่ยจาเป็นน้ําอำมะตะเป็นน้ําทิพย์เนี่ยนะเขาจะรอบอร่อน้าอย่างเดียวบอ่อนี้เขาไม่อาบอันะบอ่อนี้มันมีหญ้าปกคลุมดูเยอะแล้วดูรกหน้าดูไม่ค่อยน่าอาบเขาจะรออาบบอ่อหน้าก็คือกลุ่มหวังน้ําบ่อหน้าพอมาสังเกตดูนะอย่างแผ่นดินในเมืองพารามาสีเนี่ยถ้าเราตปดูเป็นที่ขุดขึ้นส่วนใหญ่ใช่ไหม แสดงว่าแผ่นดินนี่มีการหนาขึ้นเขาบอกว่าสมพอ่อเชียงใหม่เจ็ดร้อปีเนี่ยจริงๆแล้วฐานเดิมนี่ต้องขุดนะฐานเดิมนี่ขุดแสดงว่าแผ่นดินนี่งอกจริงๆอย่างเจดีหลวงนี่ฮะบริเวณนี้ก็ก็ ก, ก็ก็สูงขึ้นเป็นเมนะ็ดฮะเกือบเม็ดเนี่ยก็แสดงว่าพื้นที่เนี่ยมันจะถูกทับถมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแผ่นดินพา ร, ราณสีคุณรอเถอะแผ่นดินนู้นสูงสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะกว่าภระิรอานจะมาก็นั่งใครนั่งรอก็รอไป แล้วถามว่ารอโดยที่ไม่ทํากรรมเลยหรือวันวั น, วนหนึ่งเนี่ย น, นะกายกรรมและจีกรรมหนึ่งเนี่ยที่ไหนมโนกรรมเราแล้วมันจะพาไปไหนกรรมเหล่านั้นนะนะพระศรีอานมาแล้วเราก็ยัง <g ull ied> จุดปฏิสนที่มาอีกครั้งหนึ่งก็ปลายศาสนาพระศรีอาน์นี่อ่ะนะก็เชิญแบบนี้อ uh, ยุ่งมากาเลยนะถ้ามาเกิดยุคนี้เนี่ยได้แต่เห็นแต่ผ้าเหลืองอ่ะนะเห็นแต่แต่ง เ, เหลืองอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ารัฐที่ไหนเป็นรัฐที่ไหนละ เพราะมันชีวิตในวัฏฏะนั้น่ะจึงไม่ควรประมาทโดยประการทั้งปวงที่เราจะเจริญกุศลโดยเฉพาะการคิดอริยสัจเนี่ยนะอย่างคิดอะไรไม่ได้มากก็อริยสัจเนี่ยคิดไว้เถอะคิดเอาไว้บ่อยๆคิดเอาไว้มากๆเนี่ยนะทรงจำไว้อั น, นอย่างเช่ว่าแบบ ลองตรึกแบบย่อกับแบบพิศารแบบย่อก่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาแย่เข้าไปในทุกอารมณ์แบบเนีอารมณ์ไหนมั่งไม่เป็นอย่างนั้นก็ลองใส่ใจแบบนี้แบบย่อๆเอาไว้ก่อนทีนี้ถ้าเพิ่มพิศารขึ้นเนี่ยทุกขตาสามทุกนี้ทุกนี้ทุกขทุกนี้วิปริณามาทุกนี้สังขาราทุกขแล้วก็บอกว่าทุกตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาสามถ้าดับปัญหาสามได้เป็น นโรสัจจะอริยมรรคนี่คือวิโมกสมอ น, นิมิตรนิโมกสุญญาตาวิโมกและอัตตานิหิตะวิโมกเป็นต้นถ้าถ้าแบบย่อๆนะถบบ้าแต่พิสดารขึ้นทุกอันนี้ก็ชาติพิทุกขาจาราพิทุกขาจนถึงโสกาปริเทวทุกโทมนานัสุปา ย, ยาสาพิทุกขาเป็นต้นถ้าเ พ, าพิ่มพิสดารแต่ก่อนนั้นก็โต40เป็นต้นถ้าพิสดารแต่ก่อ น, กนั้นก็เอาปิดกมาว่าเป็นปิดกปีดกไป ทถนี้วกปัญหาก็าเหมือนกันกิเลสถ้าจะขยายให้เพิ่มพิษานเป็นหมวดสีหมวดห้าหรือจะขยายกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามคิดในอที่มันไอหัวข้อใหญ่ๆเอาไว้ก่อนพื่อจะได้ไม่สับสนบางคนเนี่ยคืออริยสัจสีเนี่ยนะเหมือนเจดีสี่เหลี่ยมที่สร้างฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยมันต้องมีความสมดุลกันใช่ไหมที่จะสร้างเจดีสี่เหลี่ยมเนี่ยนะท้าวเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งเกินไปนี่ดีไหมมุ่งก่อสร้างแต่ข้างเดียวเลยนะ ไม่ได้มันต้องค่อยๆฝึกคิดทั้งสีฐานว่าไอ้ความสมดุลกันเพราะว่าสร้างเนี่ยเสร็จอยู่ที่ไหนอยู่ที่ยอดถ้าไม่ไม่ดูความสมดุลกันในในฐานล่างทั้งสีฐานเลยนะอยอดนี่เป๋แ น, น่ยอย่างเพื่อที่สร้างบ้านเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าถ้าตั้งองศาผิดผิดตอนต้นเนี่ยนะแค่มิลเดียวหรือเซนเดียวเนี่ยถ้าเป็นเป็นสูงสักยี่สิบสามสิบเมตรขึ้นนะข้างบนเนี่ยมันเป๋ เ, ปเยอะนะ อย่างผู้การเนี่ยจะอธิบายได้ดีเลยถ้าตั้งฉากไว้ผิดหน่อยเดียวเนี่ยนะยอดมารันจะเกิดขึ้นตัดถนนเนี่ยลองตั้งไว้ผิดนิดเดียวนะสมมตินะตั้งผิดในเส้นเส้นทางระหว่างจังหวัดเลยนะถ้าตั้งผิดเอาไว้เส้นเดียวตั้งกับตอนแรกเลยนะตอนปลายจังหวัดนี่มันอีกตกคนละจังหวัดเลยนะมันไม่ได้ตกจังหวัดเดียวนะถ้าตั้งเส้นเส้นไว้ผิดตั้งับแรกเนี่ย ฉั้นใดก็ดีการการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะอริยสัจสีก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งฉากวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้ให้แจ๋วๆหน่อยเนี่ยระดับสูงเนี่ยเป๋มากๆเลยแม้แต่แม้แต่ในในสัจจะสี่เนี่ยถ้าเอาสัจจะใดสัจจะหนึ่งโดดโดดเลยนะเปะ๋เช่นถ้าจะเอาสติก็แต่สติอย่างเดียวเห็นไหมอย่างยุ่งเนี่ยเป็นขายุคที่ขายสติจนร่ํารวยกันมากเลยสติอย่างเดียว สติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจนไม่รู้เนี่ยเขาก็ทําอะไรเขาก็มีสติไปหมดเลยพวกที่กําหนดรู้นามรูปว่านามรูปอย่างเดียวไม่มีอะไรงอกเงยมีแต่นามรูปตามที่มันทันนามรูปก็แล้วกันเอาอยู่แต่กันามรูปน่ยมันเรื่องใหญ่จริงๆเลยเอาเป็นเราตายไหมมันเห็นเกิดดับนามรูปเนี่ยไม่รู้เกิดดับแค่ไหนก็ไม่ทราบให้มันอยู่กับนามรูปเนี่ยนามรูปตลอดได้นะพวกที่บอกว่าขูดกิเลกก็จะให้ขูดอย่างเดียวโดยรู้กิเลมันเป็นยังไงต้องละมันต้อง นะครับบางกลุ่มก็คล้ายแต่ น, นิพพานอย่างเดียวมันก็เลยอริยศาสตร์มันขาดความสมดุลไปหมดนั้นการทําที่สุดแห่งทุกจึงจึงยากเนี่ยนะพันการาศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะมาที่เมืองพราราณสีเนี่ยอริยศาสตร์นี้เป็นหัวข้อธรรมที่ควรใส่ใจให้มากเพราะพระองค์ตรัสไว้ในวิตรัสสูตรว่าถ้าเธอจะตรึกขอให้เธอตรึกอริยศาสตร์เพราะอาริยศาสตร์ที่เธอตรึกแล้วเป็นเรื่องต้นแห่ง มักขภมมจันทร์เพราะการปรึกแบบนี้จะเป็นไปเพื่อความเบืน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อปารีนิพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งวัตทุกขถ้าเธอจะคิดเธออย่ า, ค, าคิดเรื่องโลกเลยเธอจงคิดเรื่องอริยสัพนี่นะมีทั้งปรับที่เมือง ราชครึกก็ตรัสอย่างนี้ตรัสที่เมืองพาราณสีก็ตรัสให้ตรึกให้คิดเรื่องอริยสัจถ้าคิดก็ควรจะคิดเรื่องอริยสัจถ้าจะพูดก็ควรพูดอริยสัจเพราะเป็นการพูดแล้วจบที่ทำที่สุดแห่งวัตทุกแต่ถ้าอย่างอื่นเนีมันคือการเริ่มต้นโครงการอันใหม่เริ่มโครงการทุกอันใหม่สร้างวัตถุทุกอันใหม่ๆหไปเรื่อยโดยที่ไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดไม่รู้ว่าที่สุดนี่จะอยู่ที่ไหน เพราะอะไรเพราะว่าในโลกของการสร้างขันห้าไม่มีจบแต่ผู้การว่านะวัดตะ ม, มันมันทางโลกมันเรียนไม่จบจริงๆมันก่อนฟังศาสตราจารย์นายแพทย์คนหนึ่งที่เป็นเป็นอะไรนะเป็นองค์คมนตรีอะตาตรกถาพูดว่าวิชาการทางโลกนะอย่างพวกกลุ่มหมอพยาบาลเป็นต้นเนี่ยนะอีกยี่สบสาสิบปีความรู้พวกนี้โลกทิ้งหมดเลย จะต้องเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมดเครื่องมือจะต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาพยาบาลรุ่นเก่าๆมาเข้าเป็นพยาบาลยุคใหม่เนี่ยสงสัยครับไหมคงไม่รับหรอกนะใช้ของเป็นหรือเปล่าไม่รู้หยิบไม่รู้หยิบอะไรแล้วนะเพราะข้าวของเครื่องใช้มันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันวิวัฒนาการเนี่ยนะกลุ่มที่สร้างใหม่มันจิตมันวิจิตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างสร้างจะอย่างสังเกตด้วยนะช่างซ่อมเครื่องเสียงรุ่นยุคเก่าๆนะมาซ่อมเครื่องเสียงสมัยใหม่ไม่ได้และ เพรมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะนั้นวิ่งให้ตามทันโลกมันไม่มีใครวิ่งทันหรอกไม่มีจบจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดมาใหม่ก็วิ่งตามอย่างนี้อีกมันเหมือนกับวิ่งดวงอาทิตย์ตกแล้วเราวิ่งไปที่ตะวันออกจะเหยียบเงาหัวตัวเองไงนะมันมีต่ไปแล้วก็ห่างขึ้นห่างขึ้นวัตถะทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเรียนจบเพราะว่ารูปทั้งหลายคือมหาพูดมันเป็นอารมณ์ของอะไรของจิตแล้วจิตเนี่ยมันไปจัดการเรื่องรูป ในยุคหนึ่งเขาบอกว่าไอ้อย่างนี้เลวมากใช้ไม่ได้เป็นความเลวร้ายเสียหายมาอีกยุคหนึ่งเขาบอกมันดีจริงๆนี่คือของดีไม่ยุคหนึ่งก็เอาแค่กั้มกึ่งไปเนี่ยนะแต่ว่าว่าโดยรวมๆแล้วหลักการในโลกนี้นะก็คืออะไรอกุศลกรรมบทสิทถ้าถ้าคิดไปจริงๆเลยนะถ้าคิดตามธรรมะเนี่ยมันอารมณ์ในโลกนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยคืออารมณ์แห่งการประพฤติล่วงอกุศลกรรมบทสิทธิ์ทันถ้าหาว่า ไม่ตรึกเรื่องอริยสัจนะในที่สุดนะมันจะเลยไปหาล่วงอกุศลกรรมบทสิทธิ์ถ้าปล่อยให้ความคิดที่เป็นไตกับรา่ะโทสะโมหะเกิดในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะโดยที่ไม่ยอมคิดจะแก้ไขในที่สุดนะอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งการล่วง อากูศนกรรมมบทของเราจนได้เนี่ยนะในที่สุดใช่ไหมในที่สุดอย่างเช่นคู่เวรทั้งหลายเนี่ยนะเช่นเริ่มไม่ชอบหน้าใครไว้สักคนหนึ่งนะเห็นวันหนึ่งก็ไม่ชอบครั้งหนึ่งเห็นสองวันก็ไม่ชอบสะสมไว้สักสามปีอะไรจะเกิดขึ้นสี่ปีหรือสิบปีผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้นเขามีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กที่ีแงอ่อนแอมากเลยถูกเพื่อนแกล้งบ่อยเข้าบ่อยเข้าปีผ่านไปสองปีสามปี ส, มปสิบปี ตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นมือปืนไปได้คนที่มันขี้ขลาดคนนี้นะมันเป็นมือปืนเขาบอกว่าคนที่เคยรังแกมันมันไปฆ่าทิ้งไว้หมดแล้วอันนี้เขามาเล่าให้ฟังเองว่าเขาไปจัดการไว้เรียบร้อยหมดแล้วเขาวางอันเมื่อก่อนเนี่ยผมนะเขาเป็นคนที่อย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นคนอ่อนแอถูกคนรังแกตลอดแต่เขาก็โทสะนะใช่ไหมถูกรังแกก็จะโทสะโทสะในที่สุดโทสะเหล่านั้นมีกําลังก็เลยตอนตอนหลังก็เป็นอาชีพมือปืนเนี่ยนะ ก็นั่นแหละกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าข้คลาดที่สุดกลายเป็นคนกล้าที่สุดเนี่ยนะท่านท้าวอยากคิดนะว่าโทสะเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะไม่ต่อด้วยปาณาติบาต ท, ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นอะไรแล้วชอบไปหมดเลยจะไม่ตามด้วยอธินนาทานกลิ่กิเลสท้าอื่นๆก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านี้มันจึงเป็นที่การทั้งตั้ ง, งแห่งการทํากรรมมันผู้ที่เจริญตัรมญาในระดับสูงเนี่ยนะ พอมาเท่าที่สังเกตดูว่าสิ่งที่เราเจริญกันอยู่แบบยุคนี้นี่นะถ้าเทียบกับในยุคสมัยกับคำสอนเนี่ยเราห่างเขาม า, มากๆจริงๆเลยนะตอนหลังยิ่งไม่แปลกใจเลยนะเพราะของเราเนี่ยแค่แค่ดบบนั้นแค่แบบเบื้องต้นเล็กๆ น, น้อยๆเราก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยนะจริงๆ เมือนว่าถนนหลักๆสักไม่กี่เส้นก็ยังงงเลยเนี่ยนะจากตาตัวใหญ่ถึงเส้นย่อยอย่างเง้ยนะในการเชื่อมโยงไปต้นอย่างไม่กระทั่งทางโลกเขาก็เขาก็เก่งจริงๆในในทางโลกนะว่าถูกตามกว่าจะได้เท่านี้เนี่ยมันใช้ตารากรองเท่าไหร่เนี่ยโรงแรมเนี่ยเท่านี้คุณร้าเนี่ยใช้ตําราหนากี่ศอกเนี่ยความรู้ทุกชนิดที่มีอยู่ในนี้เนี่ยเอามารวมกันนะ ตำราเนี่ยน่าจะสูงท่วมหัวนในในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งห้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างการดูแลรักษาค่าใช้ใจ่ายบำ ร, รุงรักษาการบริหารอะไรสารพัดชนิดการคนเข้าคนออกดูแลทั้งหมดเนี่ยนะตำราที่มาเขียนเป็นตัวอักษรเนี่ยกองพนินดันทึกเลยแหละแต่ดีว่าสมัยมัามีการโลดทิ้งไปเรื่อยๆเ่อๆเร่ๆเรื่มไ ร, ร, ร่ตยเร่ร่อยรื่อยรเยเรยเรจนถึงรอรื่อยเร่เรื่เ่ย มันไม่มีจบมันเยอะจริ ง, รงๆะนะเขาก็คิดมากแต่ทีธรรมมากก็กลับไม่ยอมไม่ยอมที่จะใช้ความคิดเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณามากอะนะพระองจะบําเพ็ญถึงเสียสงไขหรือแล้วทําไมคนอื่นเม่อจะตรัสรู้แบบพระพุทธเจ้าได้ทําไมไม่มีคนอื่นแทนพระพุทธเจ้าล่ะมานั่งตําแหน่งแทนพระพุทธเจ้าในอย่างในยุคนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของ ยากแต่ในบรรดาของยากเนี่ยนะเราทั้งหลายตอนนี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธรัตนะที่เกิดขึ้นยากในโลกกิจโฉพุ้ทานมุ ป, ปาโทใช่ไหมการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี้เป็นของยากอานะกิจชัง อ, อะไรนะสัทธรรมมาสวังการที่เราจะได้ฟังธรรมนี่ก็เป็นของยากานะกิจชังมัจจานชีวิตตังคือชีวิตของเราที่จะดำรงอยู่นี่ก็เป็นของยากอะไร การไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของยากเลยแล้วนะหลายๆเรื่องเพราในบรรดาสิ่งที่ได้โดยยากเนี่ยนะตอนนี้เราก็ได้กันทุกข้อแล้วนะถ้าว่าไปเนี่ยแต่ว่าได้แบบไม่บริบูรนณะ์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจริงแต่ตอนนี้เราได้สังเวกข์ว่าถูกไหมเมื่อกี้ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เหลือแต่พระธาตุผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะเหลือแต่พระธาตุอยู่ทั้นี้ เหมือนอย่างว่าไฟกองโตที่ลุกโชนช่วงชัตชวานเลยนะเหลือกองผ่านให้ดูหน่อยเดียวนี่นะเขาบอกไฟกองนี้เคยร่งเรื่องมากตอนนี้ก็ดูผ่านไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้เกศชังการเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ในยุคสมัยที่พี่เหมือนเหมือนมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่พฤติกรรมโดยมากคนในยุคนี้ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์เท่าไหร่เนี่ยนะมาหนักไปทางแบบรูปแบบคล้ายๆสัตว์ในอาบายเต็มที่แล้ว เริ่เหมือนสัตว์ในอาบานแะล้วถ้าดูจากพวกไม่มีศาสนาเนี่ยนะของเราอาจจะอยู่ในเวทวงสังคมผู้มีศีลอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ในกลุ่มผู้ไม่มีศีลจริงๆเลยคล้ายๆสัตว์เดรัจฉานจริงๆเลยเนี่ยนะก็ไม่เข้าแบบมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์แล้วแล้วก็มันในสมัยที่ฟังประธรรมที่เรียกว่าฟังอยู่ตั้งนานเนื้อหาประธรรมอยู่นิดเดียวเนี่ยนะก็มีแทรกอยู่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสมัยที่เรียกว่าอะไร ปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยมากเพราเราเกิดมาที่ในยุคที่ได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่มาถึงสังเวชนียสถานก็ต้องเนี่ยในสภาพแบบในยุคที่เห็นเนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสังเวชนียสถานควรแล้วที่เราทั้งหลายจัก สังเวทถ้ามองในแง่ว่าเราได้ดีแล้วหนอแบบที่หลายท่านเลื่อมสายว่านี่เราได้ดีแล้วหนอที่ได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าซึ่งชาวพราหณ์สีที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มีน้อยเต็มทีในยุคนี้เนี่ยนะซึ่งเราก็ได้มีศรัทธาเขาก็ไม่มีศรัทธา เขาไม่เข้าไปไหว้แต่เขาเข้าไปขอทานเนี่ยนะของเราก็เข้าไปกราบเข้าไปไหว้เข้าไปบูชาเขาเหล่านั้นชาวเมืองพาราณสีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักที่เมืองพาราณสีของมาอยากเชื่อว่าคนตัวเมืองพาราณสีสวดธรรมจักได้ถึงสิบคนหรือเปล่าไม่ทราบคนชาวเมืองพาราณสีแท้ๆเลยนะถามราชูรู้สวดธรรมจักได้ไหมไม่ได้แน่นะนี่ชาวเมืองพาราณสีแท้ๆเลยนะที่จริงเนี่ยคุณราชูเนี่ยน่าจะเป็นคนเผยแทร่เรื่องธรรมจักให้เราฟังไะ ว่าตามหลักแต่ตอนนี้ไม่ได้ท่านเราเรียกกลายเป็นคนนอกมาอธิบายให้คนในฟังก็คือในยุคนี้มันเข้าเป็นอย่างนี้จริงๆท่านสังเวชเขาวัตถุว่าผู้มีบุญขนาดนี้นะอย่างธรรมจักรเป็นต้นเนี่ยคนก็เหลือแต่ บ, บทสวดแล้วเหลือแต่พยัญชนะแล้วอัตถะนิแทบไม่เหลือแล้วทันพระธรรมก็หมดและมู่พระสงฆ์ทั้งหลายล่ะก็ใส่เสื้อกันแล้วแบบที่เราเห็นก็ใส่เสื้อกันแล้วเนี่ยนะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามคือสิ่งที่เขา จะทำต่อไปเนี่ยนะก็มองเห็นเป็นเอาพระพุทธเจ้าเป็นการค้าไปเกือบหมดแล้วเอาพระธรรมคำสอนเป็นการค้าเอารูปแบบเครื่องแต่งตัวเป็นต้นเป็นสนามแห่งการค้าเอามาค้ามหาพูตารูปซึ่งในสุปินะชาดกก็กล่าวไว้อยู่แล้วว่าต่อไปนะจะเอากรหาปณะมาแลกเปรียนเน่าคือเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาค้าขายกันแล้วอันนั้นเอาพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่แสวงหาทรัพย์เป็นต้นเนี่ยคือ คือจะว่าบาปหมดมันก็ไม่ใช่นะมันก็มีบุญอยู่นะมันก็คือถ้าบาปหมดโดยสิ้นเชิงก็มีใครเข้าเอาด้วยหรอกมันก็มีแทรกแทรกกันบ้างอะนะทันเวลาที่เขาใส่เบ็ดมันก็ต้องมีอยู่บ้างถ้ามีแต่ตัวเบ็ดล้วนๆเนี่ยปลาไม่ก็ไม่กินหรอกฉันใดก็ดีผู้ที่เกิดมาในยุคนี้เป็นยุคที่โดยโดยรวมๆแนละเป็นยุคที่ควรที่จะสังเวชเนี่ยนะควรที่จะสังเวชหมายคำว่าสลดใจด้วยโอตตะและ ปัญญาเมื่อสังเวชแล้วก็จะได้กิจที่ทำกิจในสิ่งที่ควรทำซะกิจที่ควรทำตอนนี้คืออะไรปริญญาเกตตหานะตหาตับภกิจสัจชิกาตับภกิจและ ภาวนากิจเนี่ยนะภาเวตภกิดเกิจเหล่านี้เป็นกิจที่เราควรจะทําพร้ะด้วยบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบําเพ็ญในเมืองพาราณสีทั้งหมดนี้ขอจงได้ประพฤติกิจที่พระองค์ได้แสดงในแสดงธรรมจักรกับปวัตินาซูที่เมืองพาราณสีว่า สัตว์โดยสัจยานกิจยานกตายานโพลงได้บำเพ็ญอย่างบริบูรณ์จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้เราทั้งหลายจงได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสัจยานกิจยานกตายานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านก็ร่วมอนุโมทนาด้วยครั้งหนึ่ง